สกระตาปฏิวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไรหน่ปราชิกกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัตในปราชิกกันปราชิกศิกขาบทที่5ถามภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่ง ยินดีการจับต้องบริเวณใต้รากขวันลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปต้องอาบัดปาราชิก 2. ยินดีการจับต้องบริเวณเหนือรากขวันขึ้นไปใต้หัวเข่าลงมาต้องอาบัตดทุนละใจ 3. ยินดีการจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัดทุกกฏภิกษุณีผู้คำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้คำนัดต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปาราชิกสิกขาบทที่6 ถามพิสษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษ ไ, ไ, ไว้ต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบพิสุจีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รู้อยู่ปกปิดธรรมคือปราชิกต้องอาบัตปราชิก 2. งสงสัยปกปิดไว้ต้องอาบัตทุลใจัย 3. ปกปิดอาจารวิบัติต้องอาบัตทุกกฎ ภิกษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัติสอย่างเหล่านี้ปาราชิกสิกขาบทที่7ถามภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงลงโอเขปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจึงกระทั่งสงสวดสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงลงโอเขปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรม จนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบยติต้องอาบัตทุกกฎสจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุกกาาตออตลใจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาราชิกภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ ประราชิกสิกขาบทที่8ถามภิกษุณีผู้ทำวัตถุครบทั้ง8ประการต้องอาบัตเท่าไหรตอบภิกษุณีผู้ทำวัตถุครบทั้ง8ประการต้องอาบัต3อย่างคือ 1. ที่ชายสั่งว่าจงไปยังห้องชื่อนี้แล้วเดินไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. พอย่างเข้าช่วงแขนของชายต้องอาบัตทุนละใจ 3. เมื่อทำวัตถุครบทั้ง8ประการ ต้องอาบัติปราชิกพิกษุณีผู้ทำวัตถุครบทั้งแปประการต้องอาบัติอย่างเหล่านี้ปราชิก8ปสิขาบทจบ 2. สังคาทเซสา ก, กัรจำนวนอาบัติในสังคาที่เซสา ก, กัร สังคารทิเศษสศักคคาบทที่หนึ่งพิกษุณีผู้ก่อคดีพิพาทก่อคดีขึ้นต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. บอกเรื่องของคนหนึ่งต้องอาบัต ท, ทุกกฏ 2. บอกเรื่องของคนที่สองต้องอาบัต ท, ทุนละใจสามเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องอาบัตสังขาทิเศษสังคารทิเ ศ, ษ ส, เศษสศักขคาบทที่สองพิกษุณีบวชให้สตรีผู้เป็นโจรต้องอาบัตสามอย่าง คือหจบยตัตติต้องอาบัตทุกกฎ2จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศศสังคาทิเศสศสัจขาบทที่สภิกษุณีผู้เข้าไปสู่ระแวกหมู่บ้านรูปเดียวต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. กําลังเดินไปต้องอาบัตทุกกฎ2ย่างเท้าก้าวที่1เข้าสู่บริเวณรัว้วต้องอาบัตทูลใจ 3. อย่างเท้าก้าที่สองต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศตสสิกขาบทที่4ภิกษุณีเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพลียงกันลงโอเคปณญญกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการรสงไม่รู้ฉันทะของคณะต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบยติต้องอาบัตทุกก 2จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจัย3จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆา ท, เาทิเศษสังฆาทิเศษสัสิกขาบทที่5ภิกษุณีกำนัดรับของเคี้วหรือของฉันจากมือชายผู้กำนัดด้วยมือของตนแล้วฉันต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุนละใจ 2. ฉันต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคกคากลืน 3. รับประเค้นน้ำและไม้ชําระฟันต้องอาบัต ท, ทุกกฎสังฆาทิเศษสักคขาบทที่หภิกษุณีส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำนัดหรือไม่กำนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำนัดนิมนต์เถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใด จะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็าตามแก่ท่านท่านจงรับประเคีนของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้ต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. รับประเคีนตามคําของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะ ฉ, ฉันต้องอาบัตทุกกฏ 2. ฉันต้องอาบัตทุนละใจทุกๆคํากลืน 3. ฉันเสร็จแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษ สังคาทิเศษสสิกขา บ, บทที่7ภิกษสุณีผู้โกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาคครบสามครั้งต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบญาติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุลใจัย3จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศษสสิกขา บ, บทที่8 พสุนีผู้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งโกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบยติต้องอา บ, าอาอบตัตออาบา ท, ทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุละใจัย3จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศสสังคาทิเศษสัจคา ข, ขาบทที่9 พิษุนีผู้อยู่ครุกคลีกันไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งต้องอาบัตสาอย่างคือหนึ่งจบยัติต้องอาบั ต, บ ต, ต, ออบตทุกกฎ2จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศสสังคาทิเศษ ส, สักขาบทที่10ภพิษุนีผู้ส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าน้องหญิงทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยู่ครุกเคลียกันอย่าแยกกันอยู่เลยไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสาอย่างคือ1จบญาติต้องอาบัาบ ต, ตออบทุกกฎสจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนลจัย3จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศสสังคาทิเศษสิบสิก ข, ขาบทจบ นิสักยักันจำนวนอาบัตในนิสักยักันสิกขาบทที่หนึ่งพิสูนีทําการสะสมบัตต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสักยปาจิตตีสิกขาบทที่สองพิสูนีอธิษฐานอาการะจีวอนเป็นการละจีวรนแล้วให้แจกกันต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังให้แจกกันต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อแจกกันเสร็จแล้ว ต้องนิสัคียปาจิตติสิกขาบทที่สภิกษสุนีแลกเปลี่ยนจีวรกับพิกสุนีแล้วแย่งชิงเอาคืนต้องอาบัตสองอย่างเคืหนึ่งกำลังชิงเอาต้องอาบัต ท, ทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อชิงเสร็จแล้วต้องนิสัคียปาจิตติสิกขาบทที่4ภิกษสุนีผู้ออกปากขอสิ่งของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอสิ่งของอย่างอื่นต้องอาบัตสองอย่าง คือหกำลังขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองขอเสร็จแล้วต้องนิสักคียะปาจิตตีสิกขาบทที่5ภิกษุณีผู้ให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังให้ซื้อต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม 2. สั่งให้ซื้อแล้วต้องนิสักคียะปาจิตตีสิกขาบทที่6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 ที่เขาบริจาคแ ก, ก่ภิกษุณีจํานวนมากแลกเปลี่ยนของอย่างหนึ่งต้องอาบัตสออย่างคือ 1. กําลังให้แลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ให้แลกเปลี่ยนแล้วต้องนิสักคิยะปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุณีผู้ให้เอาบริคารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แ ก, ก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแ ก, ก่ภิกษุณีจํานวนมากที่ขอมาเอง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 หนึ่งกำลังให้แลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองให้แลกเปลี่ยนแล้วต้องนิสัคียปาจิตตีสิกขาบทที่11ภิกษพิสุณีผู้ขอผ้าห่มนาราคาเกินกว่าสี่ครังสะเป็นอย่างมากต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่งกำลังให้ขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. งเมื่อขอเสร็จแล้วต้องนิสัคียปาจิตตีสิกขาบทที่12 ภิกษุนี้ผู้ขอผ้าห่มบางราคาเกินกว่าสองกังสะครึ่งเป็นอย่างมากต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อขอเสร็จแล้วต้องนิสัคียปาจิตตีนิสัคียปาจิตตีสิบสองสิกขาบทจบ ปาจิติยกันจำนวนอาบัตในปาจิติยกัน 1. และสุนวัตสิกขาบทที่หนึ่งิุณีฉันกระเทียมต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกคำเกลือนสิกขาบทที่สองพิุณีให้ถอนขนในที่แคบต้องอาบัตสองอย่าง คือหกำลังให้ถอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อถอนเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่สภิกษุณีใช้ฝ่ามือตบต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังตบต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อตบเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่4ภิกษุณีใช้ท่อนยางต้องอาบัตสองอย่าง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 ภิกษุณีโปรนิบัตภิกษุผู้กำลังชันด้วยน้ำดื่มหรือด้วยการพัดต้องอาบัตร2อย่างคือ 1. ยืนอยู่ในระยะหัตถบาทต้องอาบัตปาจิตตีสอ 2. ยืนพ้นระยะหัตถบาทต้องอาบัตทุกกฎสิคาบทที่7ภิกษุณีออกปากขอเข้าเปลือกดีบมาฉันต้องอาบัตสออย่างคือ 1. รับประเคียนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกก 2. ฉชันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืนสิกขาบทที่8พิสุนีเทอุจระหรือปัสสาวะน้ำลายอยากเยื่อหรือของเป็นเดนภายนอกฝาหรือภายนอกกาแพงต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังเทต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อเทแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9พิุณีเทอุจระหรือปัสสาวะน้ำลายอยากเยื่อ หรือของเป็นเดนบนของเขียวสดต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังเทต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อเทแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่10ภิกษุณีไปดูการฟ้อนรำการขับร้องหรือการประคมดนตรีต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังไปต้องอาบัตทุกกฎสองยืนอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยินต้องอาบัตปาจิตติ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 ภิกษุณีย e ืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอาบัตปาจิตตี 2. ยืนพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัตทุกกดสิกขาบทที่3ภิกษุณีย e ืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอาบัตปาจิตตี สองยืนพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สี่ภิกษุณียืนเคียงคู่กันสองต่อสกับชายในถนนหรือตรอกตันหรือทางสามแพร่งต้องอาบัต2ออย่างคือ 1. ยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอาบัตปาจิตตีสองยืนพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัตทุกกฎสิกขาบทที่5ภิกษุณีเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันพัตหาร นั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ย่างเท้าเก้าที่หนึ่งเข้าสู่บริเวณชายคาต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัตปายจิตตีสิกขาบทที่6พภิกษุณีเข้าไปสู่ตระกูลภายหลังฉันพัตตาหานั่งบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอาบัตสองอย่างคือ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 ภิกษุณีเพราะเข้าใจผิดเพราะใคร่ครวนผิดให้ผู้อื่นโพนธนาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้โพนธนาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้โพนธนาแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุณีสาบแช่งตนเองหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือด้วยพรหมจันทร์ต้องอาบัต2ออย่างคือ 1. กําลังสาบแช่งต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม 2. เมื่อสาบแช่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่ส0ภิิสุนีร้องไห้ทุกตีตนเองต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ร้องไห้ทุกตีตนเองต้องอาบัตปาจิตตี 2. ทุกตีตนแต่ไม่ร้องไห้ต้องอาบัตทุกกดรัตตันธการวักที่สองจบ 3. นหานวักสิกขาบทที่1ภิกษุิสนีเปลือยกายอาบน้าต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่ลังอาบต้องอาบัตดทุกกฎเพราะพยายาม 2. อาบเสร็จแล้วต้องอาบัตดปาจิตติสิกขาบทที่2ภิกษุณีให้ทําผ้าอาบน้ําเกินขนาดต้องอาบัตสออย่างคือ 1. กําลังให้ทําต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้ทําเสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตติสิกขาบทที่3ภิกษุณีเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวอนของภิกษุณีแล้วไม่เย็บ ไม่ขนขวายเพื่อให้เย็บต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่4ภิกษุณีให้วาระผลเปลีป่ยนสังขาติที่มีกาหนดระยะเวลาหวันล่วงเลยไปต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่5ภิกษุณีข่มจีวรสับเปลี่ยนกันต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังห่มต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2เมื่อหหมแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่6ภิกษุณีทำอันตรายแก่จีวรที่คณะจะพึงได้ต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทำแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่7ภิกษุณีคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบทำต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังคัดค้านต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม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 ตวัตตะวัคสิกขาบทที่1นึ่งพิจูนีสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังนอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่สองพิจูนีสองรูปใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนร่วมกันต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังนอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม สองเมื่อนอนแล้วต้องอาบัดปาจิตติสิกขาบทที่สภิกษุนีจงใจขอความไม่ภาสุแก่ภิษุนีด้วยกันต้องอาบัดสองอย่างคือ1กํากำลังก่อต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อก่อแล้วต้องอาบัดปาจิตติสิกขาบทที่4ภิกษุนีไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้ได้รับความลาบาก ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตติสิกขาบทที่5พิกษุนีให้ที่พักแก่พิกษุนีแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากออกไปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังฉุดลากออกไปต้องอาบัตทุกขกอเพราะพยายาม 2. เมื่อฉุดลากออกไปแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่6ภพิกษุนีผู้อยู่คลุกคลีไม่ยอมสลกรรม จนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. จบญาติต้องอาบัาบ ต, ตออบทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่7ภิกษุณีเที่ยวจาริกไปไม่มีกองเกวียนเป็นเพื่อนในที่ที่รู้กันว่าหน้าหวาดระแวงมีภัยนากลัวภายในรัฐต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังเดินไปต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม สองเมื่อเดินไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่8ภิพิุณีเที่ยวจาริกไปไม่มีกองเกวนเป็นเพื่อนในที่ที่รู้กันว่าหน้าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวภายนอกรัฐต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเดินไปต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายามสองเมื่อเดินไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุณีเที่ยวจาริกไปภายในพรรษา ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังเดินไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อเดินไปแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่10ภิกษุณีอยู่จําพรรษาแล้วไม่หลีกจาริกไปต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตติตัววัตตะวรกที่สจบ 5. จิตตาคารวักสิกขาบทที่หนึ่ง พิสุณนีไปดูโรงละครหลวงหอจิตรกรรมสวนสาธารณะอุทยานหรือ s ะโบคครนีต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่กำลังไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองยืนในที่ที่มองเห็นต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่สองพิสุจนีใช้ต่างยาวหรือแท่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังใช้สอยต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม สเมื่อใช้สอยแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่3ามพิสุณีกรอได้ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังกรอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกรอแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่4ภิกษ <anda> ุณีช <souvent S 2> ่วยกันท sí. ําการขนขวายเพื <alternatives. S 1> ่อครหัดต้องอาบัต2อย่างคือ 1. กําลังทําต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม สองเมื่อทำแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่หภิกษุณีผู้อันภิกษุณีขอร้องอยู่ว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดรับปากแล้วไม่ช่วยระ ง, งับไม่ขนขวาให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่6พภิกษุณีให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนแก่ชาวบ้านแก่ปริภาชก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 ภิกษุนีไม่สละที่พักแล้วหลีกจางฤกไปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. น่งย่างเท้าเก้าที่1พ้นเขตไปต้องอาบัตทุกกฎ2ย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุนีเรียนเดราชานวิชาต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังเรียนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกบทสิกขาบทที่สิบ ภิกษุณีสอนเดรัจฉานวิชาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังสอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกบทจิตตาคารวักที่หจบ 6. อารามวัคสิกขาบทที่1ภิกษุณีรู้อยู่เข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุโดยไม่บอกต้องอาบัตสออย่างคือ 1. ่ย่างเท้าก้าวที่1เข้าเขตต้องอาบัตทุกก 2ย่างเท้าเก้าที่2ต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่2ภิกษุณีด่าบริภาษภิกษุต้องอาบัตสออย่างคือ1กําลังด่าต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อด่าแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่3ภิกษุครึ่งเคียดบริภาคคณะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังบริภาษต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม สเมื่อบริาพาทแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่4ภิกษุณีผู้ได้รับนิมนต์แล้วบอกข้ามพัะตาหารแล้วฉันของเคี้วหรือของฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคหด้วยตั้งใจว่าจะเคีว้วจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคํากลืนสิกขาบทที่5ภิกษุณีห่วงตระกูลต้องอาบัตสองอย่าง เคยกำลังหวงต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อหวงแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่6ภิกษุณีจำพรรษาในอาวาที่ไม่มีภิกษุต้องอาบัาตสองอย่างเคยหนึ่งตั้งใจว่าจะจำพรรษาแล้วแจกแจงเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กว่าบริเวณต้องอาบัตทุกกฎ 2. พออรุณขึ้นต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่7 ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วไม่ประวรณาในสงฆ์สองฝ่ายด้วยฐานะสต้องอาบัติหนึ่งอย่างคืออาบัติปาจิตตีสิกขาบทที่8ภิกษุณีไม่ไปรับโอวาทหรือทําเป็นเหตุอยู่ร่วมกันต้องอาบัติหนึ่งอย่างคืออาบัติปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุณีไม่ถามอุโบสถบ้างไม่ถามโอวาทบ้างต้องอาบัติหนึ่งอย่างคืออาบัติปาจิตตี สิกขาบทที่สิบิกษุนีไม่บอกสงหรือคณะใช้ให้บ่งฝีหรือบาดแผลที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังให้บ่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อบ่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีอารามวักที่หกจบเจคัปปินีวักสิกขาบทที่หนึ่ง ภิกษุณีบวชให้สตรีมีคันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังโบวให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่สองภิกษุณีบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังโบวให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่สาม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 คือ 1> 1. าลังบวให้ต้องอาบัต ท, ทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบาัตปาจิตตีสิกขาบทที่5ภิกษุณีบวให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุต่ำกว่า12ปีต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังบวให้ต้องอาบาอัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวให้แล้วต้องอาบาัตปาจิตตีสิกขาบทที่6 พิษูนีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาศึกขาในธรรมหข้อตลอด2ปีต้องอาบัตสออย่างคือ1กําลังบวชให้ต้องอาบัาบตออบทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตีศึกษาบทที่7จ็ดพิสูีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบ12ปีได้ศึกษาศึกขาในธรรมหข้อตลอด2ปีแต่ยังไม่ได้สมมุติ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 ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตติสิกขาบทที่10ภิกษุณีบวชให้สหชีวินีแล้วไม่พาลีกไปไม่ให้พาลีกไปต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีข้าพิณีวักที่7จบ8กุมารีภูตวักสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุณีบวชให้กุมารีมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่ลังโบวให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อโบวให้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่สองภิกษุณีโบวให้กุมารีมีอา ย, ยุครบ20ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่ลังโบวให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมือ่อโบวให้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่สาม ภิกษุณีบวชให้คู ม, มารีมีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาศึกษาในธรรมหข้อตลอดสองปีแต่สงยังไม่ได้สมมุติต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตติศึกษาบทที่4ภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า12บวชให้คุณัธิดาต้องอาบัตสองอย่าง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 ภิกษุณีผู้อันสงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าท่านอย่าบถ์ให้คุณธิดาเลยรับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบ่นว่าต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อบ่นว่าแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่7จภิกษุณีกล่าวกับสิกขะมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเราก็จะบวให้เธอ แล้วไม่บวชให้ไม่ขนขวายแช่ให้บวชให้ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่8ปดพิสุเนียกล่าวกับสิกขมาน า, นาว่าแม่คุณถ้าเธอจักติดตามเราตลอดสองปีเราก็จะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ขนขวายแช่ให้บวชให้ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9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 ปูมารีภูตะวักที่8จบ 9. กาชาตุปาหนวัคสิกขาบทที่1ภิกษุณีกั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังใช้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่สองภิกษุณีโดยสารยานพาณะต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่งกำลังโดยสารไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อโดยสารไปแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่3ภิกษุณีใช้เครื่องประดับเอวต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังใช้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่4ี่ภิกษุณีใช้เครื่องประดับของสตรีต้องอาบัตสอย่าง คือหนึ่ลังใช้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่5้ภิกษุณีสงสนานด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังสงสนานต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อสงสนานแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่6กภิกษุณีสงสนานด้วยแป้งอบกลิ่นต้องอาบัตสองอย่าง คือหกำลังสงสนารต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อสงสนารแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่7พภิกษุณีใช้ภิกษุณีให้บีบนวดต้องอาบัตสองอย่างคือหนกำลังให้บีบนวดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบีบนวดแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่8ภิกษุณีใช้สึกขมานาบีบนวดต้องอาบัตส อ, อย่าง คือหนึ Then ่ลังให้บีบนวดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสเมื่อบีบนวดแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุณีใช้สามเนรีบีบนวดต้องอาบัตส2อย่างคือ1กําลังให้บีบนวดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสเมื่อบีบนวดแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่10ภิกษุณีใช้หญิงครหัดบีบนวดต้องอาบัตสองอย่าง คือ 1. นํ่กำลังให้บีบนวดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อบีบนวดแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่11ภิกษุนี้ไม่ขอโอกาสก่อนแล้วนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทที่12 ภิกษุณีถามปัญหาภิกษุที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังถามต้องอาบัตทุกกฎเพราะเพยายามสเมื่อถามแล้วต้องอาบัตปลาจิตติสิกขาบทที่13ภิกษุณีไม่มีผ้ารัดฐานเข้าไปสู่บ้านต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. น่งย่างเท้าก้าวที่1เข้าสู่เขตรัว้วต้องอาบัตทุกกฎ สองย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัตปาจิตตีชาตุปาหณะวักที่เก้าจบคุทกะศึกขาบทจบ